ع ِ ن سين قاف كذلِكَ يُحِي إلَيْهِ إلى الذين من قبلكَ الله العزيز الحكيم لهما في السماواتِ و َ ا ف ِ ل الأرضِ لهما وهو العلي العظيم السماوات يطفوون منه ك السموات يطفوون منه وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ألا إ ِ ن َ اللَّهَ و َ ا ل َْ ف ُ و ر ل ر َ ح ِ ي م وَالَّذِينَ اتَّقَوْا مِن د ُ و ن ه ِ حافظ عليهم، وما أنت عليهم بوكيل، وكذلك أوحينا إليك. إليك قرآن عربي لتنذر الق من القرآن ومن حولها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 و أ ش ه د ا أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بيك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ ب ك ل م ت ا ل ل ه ل ت ا مات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيوم في الأرض ولا في السماء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 سبحان الله وبحمده عدل خلقه ورضى نفسه و ز ن ت ع ر ش ه ومداد كلماته يحيي يقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل Assalamualaikum warahmatullah i wabarakatuh. Pinali yang rukun nama Subah di Masjid Anwar Risuna, yang rap tang lagi. Alhamdulillah, kau kurniakan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah beri kami hidup untuk sampai hari ini. Tujuan yang Allah buat manusia ini, lyaqubudin. Ini adalah jawapan. เราสร้างมนุษย์มาเนี่ยลียะบูดูนเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้เคารพภักดีหรือแสดงตัวเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ไม่ทามาทไม่ได้มาทำอย่างอื่นเลยหลียะบูดูนเพื่อให้เขาเหล่านั้นทั้งยินแหล่มนุษย์นี่นะเพื่อมาภักดีต่อเราแสดงตัวเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ฉะนั้นดุลรัมฎอนเนี่ เรากำลังปฏิบัติตามคำสั่งของ Allah แล้วก็เราก็มานมัมารที่มัสยิดคนที่ปฏิบัติตัวแบบนี้ก็ここเรียกว่าคนน่าเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนแล้วก็ท่าที่นอบน้อมถ่อมตนที่ดีที่สุดไม่มีท่าไหนเกินเท่ากับตอนสูยุดธ์ท่าสุยุทธในเป็นท่าที่ Allah พอใจที่สุด มีซาบะนบีบางคนมาถามท่านนาบีบอกว่าฉันต้องการจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านในสวนสวรรค์ทำยังไงนบีก็บอกว่าอะไรกะบบกัสสวิสุยูดท่านต้องพยายามสุยูดเยอะๆให้พยายามสุยูดเยอะๆดีไม่ดีดีทมดีเลย พอเรารู้ว่านบีเนี่ยสั่งซาฮาบะเมื่อหนึ่งพันสรอปีเนี่ยไอ้คําสั่งนั้นเนี่ยอยู่ไปจนกว่าจะถึงวันเตียมะฉะนั้นสูยุดเยอะๆจะนั้นต้องเก็บให้หมดเนี่ยเนืองน้ำมาทอดูเนี่ยอย่าให้ขาดเลยแล้วก็หน้าหลังอีกก่อนน้นมาบายนมีสีนะก่อน น, นมาบายมีสีเราอันนี้เป็นสุนัตมุอาคดานะ ก่นมาฎบ่ายมีสหลังนมาฎบ่ายสองมัก อ, อัสรีไม่มีอลมัลลเมตตาไม่ให้มีถ้าไม่เหนื่อยนะแล้วก็หลังน ม, มาฎมกรีบสองหลังนมาฎอิชา 2, สองเดือนละมาดอเนี่เพิ่มมาอีกแล้วก็เพิ่มมาเนี่ยทำตามธรรมดาก็เพิ่มมาตอนดึกๆใช่ไหมคืนธรรมดานอกเดือนละมาดอเนี่ยนอนไปก่อนตื่นขึ้นมาเขาเรียกว่าตาข่ายุท แต่ Allah เนี่ยเมตตามากเลยนะให้สามารถทํานมาตกิยามุลเลนได้หลังนมาติชาคําว่ากิยามุลเลนเนี่ยภาษาของนบีภาษาของอุปรานแต่ภาษาของอุลมอฮ์เนี่ยตารอวีนบีไม่เคยพูดคําว่าตารอวีนบีพูดว่ากิยามุลเลนเราต้องเข้าใจอ๋อตารอวีเนี่ยไม่ใช่ภาษาที่ออกมาจากริมขี้ปากนบีนะไม่ใช่ ออกมาจากบรรดาอุลมอฮฺตเราวีนี่แปลว่าพับผ่อนค่อยๆทําค่อยๆ ย, ย, ยืนนานๆนนค่อยๆรู้กุว่าค่อยๆสุญูดไม่ใช่ทํารทรวดทรวดท ว, ดวดนั่นไม่เรียกว่าตาราวีไม่เรียกว่อะไรก็ไม่รู้คิดเองก็แล้วกันต้องทําด้วยความน้อมนอ ม, แ ล, มนแล้วก็ท่องตนเราก็ทําอยู่แล้วเราทำอยู่เลยแล้ว ขอบคุณอัล้อนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราจบโซล้อฟุสเิลัสนะครับอายา e สุดท้ายของโซล้อฟุสเิลัสนี่สอนดีนะครับอายาที่54เนี่ยอลาอินนาหุมฟีม <med> ิรยาติมิลลิกออิรับดิฮิมจงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงพวกเขาอยู่ในการ สงสัยมนุษย์เนี่ยคนที่สงสัยมีไหมเรื่องอะไรนะครับมิลลิกอต่อการพบพบปะรบบิหิมพระผู้อภิบาลของเขาคือทุกคนเนี่ยยังสงสัยอยู่ว่าตัวเองตายไปแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะพบอละไรหลายคนนี่สงสัยอยู่ ฉะนั้นคนที่เรียนตับสีเนี่ยต้องเคลียร์เลยในใจเราต้องไม่ม ah ีความสงสัยพบอัลลอฮ์แ <fen> น่แน <ismus> ่เป็นเรื่องจริงหนีไปไหนไม่รอดจับใส่โลงจะไปไหนรอดเหรอฉะนั้นหนีไปไหนไม่รอดฉะนั้นใครที่สงสัยนะเลิกให้หมดอัลลอินน่ฮุมดีกุลลีไซม์มูฮิตอัลลอฮ์เป็นบทจงรู้ไ้เถอ แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงล้อมล้อมไปหมดแล้วล้อมไปหมดแล้วคําว่าล้อมเรารู้สิอลัลลอฮ์ถ้าถูกล้อมจะเหลืออะไรใช่ไหมอลัลลอฮ์ล้อมมาไว้แต่ไปเล่นงานหลังตายใครที่ไม่เอาเอาลัลลอฮ์สังเกต น, นะคนที่ไม่เอา อ, อาลัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เพลินแล้วก็อร่อยกับชีวิตดุนยาใช่ไหม เราเนี่ยเป็นคนสองโลกนะโลกดุนยากับโลกอาเซอร์เราอัอาลลอฮ์ส่งนบีมาสอนบอกว่าใครที่หลงโลกดุนยาเนี่ยเขาจะเพลินเพลินกับเสรายการเ น, นี่ยนะหนึ่งเพลินกับเงินเพลินกับชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศถ้าเพิ่มมอีกอย่างเพลินกับผู้หญิงในดุนยาเป็นตัวแทนดุนยาหมดเลยแต่ว่า คนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาเพลินกับการคิดถึงโลกอาคือโลกเขาเพลินกับการอ่านกุรานใช่หรือไม่ใช่ เ, ลชเพลินกับการทํางานศาสนาของอัลลอฮ์อย่างนาบีมุฮัมมัดเนี่ยทํางานศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีวันหยุดนะนบีลุกขึ้นนมาตะฮัดหยุดนะเท้าวบวมอ่ะนั่นอ่ะไม่ใช่เพลินเนะ เราหลงดุลยานี่เพลินกับการเล่นการพนันเพลินกับข่าวบานไนครับมันเข้ามากี่พันปีแล้วล่ะ ว, วันนี้เพิ่งจะมาบอเองเลิกได้แล้วไอ้โรคโควิดมาต้องสํานึกตรงนึกโอ้โนี่เอาล้อเตือนอะไรเราเดีย๋ยไม่ใช่มาเองนะจะเป็นใครกําหนดก็ามาตอนนี้มีข่าวมาว่าไอ้โรคโควิดน่มาจากประเทศที่สงทงช้างเปอร์เซียน่ะอะไรนะยูเครนอา้าวเดี๋ยวค่อยรู้ เดี๋ยวขาวมค่อยๆออกมาอออกมาไ่อนมากันค่อยๆดูไปก่อนแล้วกันขอบคุณรอนะครับวันนี้เรามาซูร์่าใหม่ซูร่าที่42แล้วก็ชื่อซูร่าอะไรนะฮามีมไอน์ซินกอฟและ อ, อีกชื่อหนึ่งก็คือชูรรู่รอ่เนี่ยแปลว่าการปรึกษาการประชุม การนั่งหาหรือกันเป็นศาสนาทีนี้องหลายคนไม่รู้เป็นกรรมการสุราไม่เคยเข้าประชุมของเขาเลยนะรับเก็ทําไมอ่ะลาออกไปสิไม่เข้าใจว่าการประชุมเป็นศาสนาไม่เคยนึกนึกวันน้ำมาเป็นศาสนาไม่ใช่การนั่งประชุมกันเป็นศาสนาจึงจะตั้งชื่อในสุรานี้ว่าชูรอ ในคุรานสังวาชาวิรุฬหุมฟิลัมริทา่านท่งหลายจงประชมุมปรึกษาหารือกันในบ้านก็ต้องประชุมกันแม่บ้านเนี่ยจะทำอาหารในวันพรุ่งนี้แก้บวชเนี่ยครอบครัวที่มีศาสนาเนี่ยเขาจะนึกถึงคาสั่งของอัลลอฮ์ก่อนเขาจะนั่งประชุมเรียกลูกมานั่งคุยกับสามีว่าเออพรุ่งนี้จะแกงอะไรดีนะ ประชุมกันครับการประชุมเป็นาศาสนาอัลฮัมดุลิลาเป็นกรรมการสุราไม่เคยมาประชุมพวกเขาเลยเหมือนกับว่าการประชุมเป็นเรื่องเป็นเรื่องเอเอาอะไรมาประชุมนเนี่ยไม่ใช่การนั่งประชุมเป็นาศาสนาครับมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุภาณาวุวาตาลา ถ้ามีไม่มีคำแปลคำคำคำแปลน่ะมีแต่ส่วนใหญ่อุลลอฮในสมัยนบีนบีเองสอนว่าไม่ต้องไปอธิบายตัวฮานะแปลว่าอะไรมีแปลว่าอะไรไม่ต้องไปอธิบายแต่คําอธิบายมีไหมมีแต่ไม่รู้ที่สุดก็คือมาจากอั ahu, ahu, ลลอฮฺว่าแล้วอัลลอฮฺทรงรู้อนฺสน ก็ไม่จงอธิบายนะครับอายะที่สนะครับกะลิการูฮีอิลัยก์ وإلا الذين من قبلكالله العزيز الحكيم กะลิการูฮีอิลัยก ไ إ ِลَ ال ال ن ن ى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم الحمد للرب القاعده الله يذكر كذلك ดูสับนะครับการเรียกไปว่าในทํานองนั้นยูฮีเนี่ยมาจากวะฮีวะฮีนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมวะฮีแปลว่าการกระซิบ กระซ า, าบาาาอย่างรวดรัดยังจิตใจของนบีการกระซิบกระซาบอย่างรวดรัดยังจิตใจหรือหัวใจของท่านนาบีนี่นไหวตามศั์เดิมเนี่ยกายการกระซิบกระซาบอย่างรวดเร็วใช่ไหมที่หัวใจ วะฮีเนี่ยเฉพาะนบีอย่างเดียวหรือไม่ใช่การวะฮีเนี่ยมีอยู่หลายอย่างวะฮีแก่สัตว์ด้วยสัตว์ที่อลัลลอฮ์สร้างมาเนะ่เช่นพึ่งเนี่ยอลัลลอฮ์วะฮีให้พึ่งเนี่ยทำรังที่ภูเขาที่ต้นไม้กูอ่านอธิบายไว้ เปิดดูสุโรอนาฮลอ่ะนะฮลแปลว่าพึ่งอ่ะไปนอนนั่นละอ่านดูบ้างภาษาไทยอะนะจะได้ความรู้อ๋ออรรถเนี่ยวะให้ให้กับพึ่งด้วยแล้วก็วะให้ให้ใครอีกวะให้ให้กับมาลาิก้าอีกแล้วก็วะให้ให้กับสัตว์ด้วยเนี่ยแพะแต่วัวคอยพวกเนี้ยคิมกินนู้นกินนี่เนี่ยอรรถโดนใจมันต่างหากนะไม่ใช่คิดเองไม่ใช่ทำเองไม่ใช่ แล้วก็วให้ให้กับคนซอนแหละอย่างคนดีๆเนี่ยอัลลอ์ก็โดนใจให้เขาคิดอยากจะทำความดีความดีความดีเพราะอย่าลลอ์ทั้งหมดฉะนั้นเรามีความคิดใหม่ๆเนี่ยอย่าอย่ากล่งฉันแน่ฉันคิดนะเออมองฉันแน่ตัวอย่างตะกะบุตรคุณจะที่ชาวบ้านเขาคิดไม่ออกเอนคิดได้เองต้องสู้อยู่ตัวอัลลอฮ์ คพราะนั้นเป็นอิล ham พระวจานวะฮหาการโดนจิตโดนใจที่มาจากอัลลอฮสุบฮานะวะฮฺอาลลเนี่ยคนที่วิจัยอะไรเป็นๆ เ, เนี่ยตะก บ, บุญหมดเลยอยู่ในโลกอยู่โรปใช่ไหมละ่ะวิจัยนนุนได้วิจัยอันนี้ได้กลางเรามอเราสงสารทำไมไม่โอยู่ตลอด ทำไมไม่ขอบคุณตลอดล่ะทำไมไม่นอบน้อมไม่ถ่มตนตลอดล่ะฉะนั้นฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างดีกว่าคนอื่นต้องสู้อยต่ตลอดฉะนั้นทั้งหมดนี่เป็นพฤติการมโดนใจที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาบูฮฺตาลาอย่างนบีบรอฮิมการฝันนี่ก็เป็นเป็นวาฮีสําหรับนบีนะไม่ใช่พวกเรานะพวกเราต้องหารสาม ฝันมาจากอัลลอฮ์มีไหมมีฝันมาจากไซตตอนมีไหมมีจะฝันมาจากตัวเองกลางวันคิดอะไรก็ออกคิดนั้นแหละสองรายการเนี่ยอย่าไปไว้ใจถ้าฝันมาจาก Allah, อัลลอฮ์นันเป็นเป็นความดีหมดเลยแต่คนที่จะนอนฝันดีเนี่ยต้องมีอย่างนี้ก่อนนอนต้องมี น, น, นานะหมาต้องแปลงฟันตะปัดที่นอนดึงที่นอนให้ตึงแล้วก็อ่านระยะกูซี อั allah, ลลอฮฺนะฮฺลฮัมจุลิลลาอัลลอฮฺบอกบัดนอนด้วยท่าของนบีที่สอนถ้านอนกันแบบนี้ละฮัมจุลิลลาถ้าจะฝันก็จะฝันดีแล้วคนที่ไม่เคยนึกถึงศุนย์หน้านบีเลยอาบนามาดไม่เคยนึกว่าอาบนาหมาดจะพามานมาด อ, อย่างเดียวจะที่ไหนได้อาบนาหมาดก่อนนอนก็เป็นศุนย์หนนบีอีกข้อหนึ่งเหมือนกันเนี่ยต้องเรียนหมดเลยั เอาต่อมากับวัน <t> นี uh ้นะครับยุให้อิลัได้ว่าให้ให้แกอิลัยก้ามาถึงให้แกเจ้าให้แกท่านอัลกุนบียร์มหมัดกาซาเลกยู่ให้อิลัในทํานองนั้นได้มีว่าให้แกเจ้าแกอัลกุรอานาบีนรมหากัด แล้วก็แก่บรดานาบีที่มาก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดก็งว่านาบีทั้งหมดที่มาก่อนหน้านาบีนั้นเป็นร้วาวะให้จากอัลลอฮ์เป็นความรู้จากอัลลอฮ์ทั้งหมดไม่ใช่คิดเองแต่พระเจ้าบทตัดต่อสารู้มันขัดข้าว น, นี้นี่เนาะต่อสารู้รู้เองอะ่ะ <c oughs> ฉะนั้นความรู้เนี่ยมาจากใคร อัล์ทั้งหมดเลยรู้เองไม่มีครับมาจากไหนอ่ะ <SM ited> ตัวเองมาจากดินน่ะและผ่านนำมาสุจิอ่ะเหลืออะไรครับท่านต้องนึกเราเนี่ยต้องนอบนอบ้อมต้องทมตนต่ออโล์ ต, ตลอดเวลาครับทีนี้เรื่องวาฮี này, นี่นะท่านหญิงไอชาเล่าให้ฟังมาว่าฉันเคยเห็นนบีเนี่ยตอนรับวาฮีเนี่ยนะเป็นฤดูหนาวนะ หน้ารอนอหน้าหนาวจัดเนี่ยเมื่อจะออกที่นั่นที่นั้นที่ที่น้าผามนาบีนบีตัวจะสัน่นหน้าจะแดงนี่นางเล่าเองเรื่องที่สองมีคนถามนาบีเหมือนกันว่าตอนที่ท่านได้รับวาฮีนะท่านจะเล่าวาฮียังไงอธิบายหน่อยนบีก็บอกว่าฉันนั่งอยู่ดีๆเนี่ยมันมีเสียงมาหาฉันเหมือนกับเสียง กล้องของการตีระคันดังงงเงงเงงใช่ไนี่น บ, บีเล่าเองอยู่สภาพหนึ่งทั้นก็จะจำสิ่งที่เขาสอนโดนใจของสันแล้วก็ทั้นก็สะพักน้ามันก็หายพอหายก็จำหมดเลยจำของที่ก็โดนใจเนี่ยวะฮีมาอย่างนี้ตัวสันเหงือออก แล้วก็หนักมากมีซอบา้นานนบีคนหนึ่งนั่งนั่งคุยกับท่านนบีแล้วก็นบีเนี่ยเอาเข่าเนี่ยทับอยู่บนเข่าซอบา้นานนบีซอบา้านคนที่นั่งทับเนี่ยถูกทับเนี่ยนะบอกว่าหนักมากอ่ะขาจะเกือบจะขาดน่ะเพราะน้าหนักของนบีเนี่ยมันหนักมากเลยเนี่ยเห็นยังครับวะฮีมาแต่ราคาเนี่ยลบีเหนื่อยขนาดไหนเราะฉะนั้นเราอ่านกูนอ่านเนี่แบบ แต่สบายเลยนะมาตรงเหนื่อยยังได้เน้นนึกถึงภาพท่ท่านนาบีรับวหฮีแต่อายะอายาอายมานี่ออลลอฮฺว่ า, าก็บนบีลาบากขนาดไหนนะครับขอขอบคุณออลลอที่เราได้เป็นมุสลิมนะที่ได้อ่านอัลกุรอานของออลลอฮฺสุบฮานาบุญานะคตุลองว่ามิงกอบลิกแปลว่าก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดก็ได้รับวหฮีมาจากออลลอนะครับไม่ใช่รู้เองนะ อัลลอฮ์อัลล์มีสิทธิ์สองข้ออาญานีอันอาจีตผู้ทรงผู้ทรงอะไรนะผู้ทรงอำนาจนะครับแล้วก็อัลฮากีมผู้ทรงปรีชาญาติมาถึงมีความรู้รอบขอบเรารู้งหมดเนี่ยตอนนี้มนุษย์เนี่ยหายใจกี่ครั้งคลิปตาเนี่ยกี่ครั้งต่อวันอัลเราจะแชร์ให้หมดเลยในวันเกียมาอยากละเอียดเลยเนี่ย เดินไปมัสยิดกี่ก้าวเดินไปซีคอนเท่าไรเดินไปเที่ยวนูน้นเที่ยวนี้กี่ครั้งเข้าโซดาว์ากี่ครั้งไปยิ่งพ่อแม่กี่ครั้งรายละเอียดเราจะเล่าให้ฟังในวันกียรติมาหมดเลยท่า น, นต้องกลัวอัลเราเยอะอย่อัลฮัมดุลิลลาห์ตกลงว่าว่วาใ AH. ห้เนี่ยมาจากอ Allah แล้วคนซอนลรกเนี่ยยัง ยังก็นบีบรอฮีมเป็นนบีด้วยเป็นคนซอแร่ด้วยแล้วก็คนที่นบีเนี่ยเวลาฝันนะเขาถือว่าเป็นอะไรนะเป็นวอหิชนิดหนึ่งนะครับเอาต่อมากับอายะที่อายะที่4ีละหุมาฟิสซมาวาดิวะมาฟิลอร์วะหวันละลิุลลอีม ล ه و ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم الحمد لله يعني ดีมากครับทำให้เราสบายใจละลาฮูแปลว่าเป็นของพระองค์มาสิ่งที่อยู่ ฟีในอัสมาวะชันฟ้าทั้งหมดเจ็ดชั้นเนี่ยนั่นเป็นของอัลลอ์ใครกล้าคุยบ้างนี่อัลลอเล่าให้นบีฟังให้บอกให้นบีประกาศกับพี่น้องชาวมักกะที่แอนตี้มุฮัมมัดที่ด่าอัลลอ์ที่ด่ารสูนนะ่ะที่ไปคารพทักดีสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ทั้งหมดฟังมามาพูด เรามาฟิสมาวะติวมาฟิลอัลสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์เรากล้าคุยไหมล่ะเรามีที่อยู่สองไรอแล้วคุยมากเพิ่กงกระลำคานอย่ามาคุยเลยขีนเหนียว<อ>เห็นไหมมีทรัพย์สินตั้งเยอะแยะไม่เคยบริจาคให้ใครเลยอย่างนี้เป็นต้นนะนะ มีดูแลต้องทรัพย์สินของอลอส น, นะต้องดูแลให้ดีนะยิ่งมีภรรยาเนี่ยไม่ดูแลภรรยาอลอสเอาเรื่องนะแต่ดูแลภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาอย่าด่าภรรยาแล้วก็ต้องเอาเงินทองให้ภรรยาชายแล้วนบีสอนนี่นะเอาให้เงินภรรยาชายนี่อ้าวยอโมฮาอะจุรันรางวัลมีผลบุญมากกว่าการบริจาคทำทำอย่างอื่นทั้งหมดห่ะเห็นไหมแต่เราก็ บางคนนะรรยาคาขายเอกไปฉันจะนอนอะไรวะเอกไม่เข้าใจอิสลามเลยล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับวามาฟิลอาุเและที่อยู่ในแผ่นดินก็เป็นของอัลลอ์เห็นยังครับอัลลอฮ์นั้นนบีเนี่ยเป็นคนถ่องตนเพราะอ่านคู่อานแลยอดนี่มันเตือนเนี่ยนี่ของอัลลอฮ์นี่ของอัลลอ์นีขนข่ของเรามีอะไรอ่ะตัวเราเองก็อัลลอ์สร้างมาใช่ไหมล่ะ อ๋องั้นดูเนี่ยดูฝ่ามือเราบ้างอล๋อสังเกตสังเกตมีอาวุละมั้งอยู่คนหนึงจากมาเลเซียตอนผมเป็นนักเรียนอยู่ในอินเดียมาเยี่ยมมาเยี่ยมเด็กนักเรียนมาเลเซียนะแล้วก็นักเรียนไทยด้วยเขาบอกนี๋ยวสังเกตดูเนี่ยนิ้วมือเด้อฝ่ามือเนี่ยมันมีเลขแปดนะซ้ายมือเลขแปดกับเลขเลขหนึ่ง ภาษาภาษาอับนั้นเลขอับนั่งแปกับหนึ่งซ้ายมือเนี่ยแล้วก็ขวามือเนี่ยหนึ่งกับแปดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาจากนบีนะไม่ใช่นะเอามาบวกกันสิเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เก้าสิบเก้าสิบเก้าสีฟัตของใครสีฟัดของอัลลอฮ์เออผมก็ได้คอลคิดมาประมาณสี่ห้าสิบปีแล้วเนี่ยนะครับ อัลลมาจากมาเลเซียไปเยี่ยมพวกนักเรียนที่ในประเทศอินเดียคุยนี่ไม่ใช่มาจากนาบีนะไม่ใช่มาจากนาบีอย่าอย่าไปหลงมาจากนาบีนะเขาก็พิจารณาดูตัวเองโอ้แปดกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับแปดทุกคนมีอย่างนี้หมดเลยนะสังเกตนะ <c oughs> เอานี่เป็นเป็นข้อเตือนใจเล็กๆน้อยๆครับลาหูมาฟิสซามาวัดิวมาฟิลออรุ่ย ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ว่ามาฟิลอัลลอฮ์และที่อยู่ในแผ่นดินก็เป็นของอัลลอฮ์ฉะนั้นไม่ต้องไปสวดอยู่ ใ, ใครๆเดี๋สวดอยู่ให้ผู้สร้างคืออัลลอฮ์สุภาห์นะฮูวรรณอ่แล้ววะฮุว่านาลียุนาะลีอาลียุนแปลว่าสูงส่งเป็นสุขภาพเรื่องที่สามอยายะแรกอยายะที่สีเนี่ย ยที่สมสิสสอายะที่สี่มีอีกสองสิทอีกผู้อาลีผู้ทรงสูงทรงอัลอาซมผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอผู้อัออัลอซผู้ทรงอำนาจอัลฮะมผู้ทรงปรีชาญาณอัลอาลีผู้ทรงสูงทรงอัลอซมผู้ทรงยิ่งใหญ่นสิทอัลลอฮะาอายะที่ห้าครับอายะนี้ดีมากครับ จากัสละวะต ا ยา ت َ ط َะَّ ر ์นำมิฟาะِิหิม والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لا إن الله هو الغفور الرحيم อัลลอฮฺทักกรดุษมาวาทวยตาฟต์ต orna มิ่ฟาวกิหิมวะลมาอิกะตุยสับบิฮุนับิฮัมดิรับบิหิมวายะสตักฟิรุนลิมัมฟิลอารบิ ัลลอฮ์อินนัลลอฮ์ฮุอัลกัฟฟูรุลราะหีมฮามดุลิลลอฮ์นี่เป็นความรู้นะพี่นะ้อมองด้วยสายตาไม่เห็นกับนี่เป็นความรู้เป็นเรฟอัลลอฮ์ไม่เล่าเรื่องเรฟเรื่องอะไรเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องเรฟนะ่ะอันซีนอะอะไรนะเรื่องลิลลับเนี่ยไม่ให้ใครรู้ แอลัลลอ์จะเล่าผ่านนาบีให้นบีมาสอนอยู่ในกัฟีกุรานตากาดูแปลว่าเกือบหรือว่าแทบเกือบหรือแทบอัสมาวาชันฟาทั้งหลายนั่นเกือบจะยะตาฟต้นหนาฟาตอรอเนี่ยแปลว่าสองอย่างแปลว่าเนรมิตแปลว่าสร้าง อีกคำหนึ่งแปลว่าแตกหรือผ่าออกแตกหรือผ่าออกแต่ตรงนี้มันใช่แปลว่าเนรมิแตแปลว่าแตกหรือว่าผ่าออกอธิบายยางไงครับตา ก, กาดุสมาวะทุยตาฟัตตอรนะ์นาชั้นฟ้าทั้งหลายเกือบจะพังทลายหรือแตกออกหรือระเบิดก็ได ชั้นฟ้าที่อยู่บนศีรษะเรานี่นะนี่อัลละ์เล่าให้ให้นบีฟังให้นบีมาสอนนะบอกว่ายาตะฟตต้นนาเกือบจะพังทลายลงมาชั้นฟ้าเกือบนะแต่ไม่ได้ลงเล่าให้ฟังไม่เชื่อเรื่องของเองต <c oughs> ากาดุสมาวัด ชั้นฟ้าเนี่ยเกือบจะยาต่ฟอตอนนะพังทาลายลงมามิมเฝ้ามิมเฝ้าไปเห็มเหนือพวกเขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นนะกลุ่มไหนอะแล้วคนที่เดินอยู่บนโลกใบนี้น่ะคนกลุ่มไหนเยอะที่สุดคนอะไรคนคาเฟ่ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเราเลอดเล่านะเล่าให้นาบีให้นบีมาสอนบอกว่า บนชั้นบนศิษาของคุณเนี่ยมีชั้นฟ้าอยู่นะรูปเปล่าชั้นฟ้าเนี่ยวั น, ว, นวันหนึ่งนะมันเกือบจะพังลงมาเกือบจะถล่มลงมานะครับอัลลอฮฺอัลลเกือบจะพังทลายลงมาเหนือพวกเขาเหล่านัน้เนเหนือผู้ปฏิเสธเห็นไหมแต่ทำไมยังไม่ทำลายพราะุูอาของมุมิน ดูอาของผู้สตาต่อรอดเนี่ยคือพยุงโลกนี้ไว้ไม่ให้มันเสียหายมากกว่านี้ดูอาของพวกเราอะการถือบวชของมุสลิมการน้ำหมันของมุสลิมการขอดูอาของมุสลิมที่พยุงโลกดุนยาวันนี้เอาไว้ที่ถ้าไม่มีมุสลิมอยู่นะป่านนี้นะฟ้าเป็นให้กับถล่มลงมาแล้วเนี่ยร่อนร่าให้ฟัง เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สัจญนีีมีสามเรื่องวัลมาลาอิกาตูยูซาบีฮูนะบีฮัมติร บ, บีฮิมนี่เรื่องที่สองนะมาไลากะเป็นมัคลูกสิ่งถูกสร้างเหมือนมนุษย์ใช่ไหมแต่เรามองไม่เห็นตัวสร้างมาจากอะไรสร้างมาจากรัสมีส่วนมนุษย์เนี่ยอาดัมเนี่ยสร้างมาจากดินนะ แต่ผ่านน้มอสุติส่วนมาลิกาสร้างมาจากรัศมียินไชตอนถูกสร้างมาจากเปลวไฟอร้อนเล่าให้ฟังหมดเลยมาลิกาเนี่ยเห็นเราแต่เรามองไม่เห็นโอ้โหแย่นะถ้าเราเห็นมาลิกาเนาะถ้าคนเห็นมาลิกาเนาะอิมานกันหมดทตนี้ยมาลิกาเนี่ยทําอะไรครับ ยุซบิฮูนแปลว่าแซ่ซ้องดิฮัมดีด้วยการสะรรเสริญแซ่ซ้องสะดุดีสะรรเสริญใครครับรับบาฮุมผระผู้อภิบาลของเขานั่นหน้าที่ของมาเลายก์กามาเลายกาหนา้หน้าที่อันยิ่งใหญ่ก็คือสะรรเสริญชมเชยแซ่ซ้องสะดุดีต่ออัลลอ สบฮาณวุฒาเราเราก็มีหน้าที่แบบอะไรแก่เนี่ยแหละแต่เราทริยศ <c oughs> เขาสั่งให้บวชไม่บวชนี่บางคนนึกว่าเดือนธรรมาดายังสูบุรีปุอยู่เลย <c oughs> นาวุถ้าเป็นลูกเราลูกเสียใจมานะ <c oughs> เดือนลมาลอดพ่อ บ, บวชแม่บวชแต่ลูกไม่บวชอย่างนี้เป็นต้น ก็ให้ลูกเรียนเรียนอินเตอร์ไงใช่หรือไม่ใช่ใชเอาภาษาอังกฤษเกง่งไม่เคยนามาทั้งชีวิตเพราะโรงเรียนม่เคยสอนให้นามาใช่หรือไม่ใช่โอ้โหพวกเขาว่าอินเตอร์เนี่ยภาษาขันกลางนะเอาลูกไปเรียนที่ไหนได้อะเขาสอนให้เป็นกาเฟ่กะหน้าชากาษาของมันสง่างามนะเอาล้อเนี่เป็นข้อคิดนะ มันจะตำหนิใคร้นะนั่นเล่าให้ฟังวัลมละลาอีกาดูอยูส่สบบิฮูนับิฮัมดิรอบบิฮิมขณะที่วาวๆแปลว่าขณะที่ขณะที่มาเลยกานั้นแซ่ซ้องสะดวดีด้วยการสารเสริญต่อพผู้อภิบาลของเขาว่ายังไงเราไม่รู้เร่อนเล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี่หน้าที่ของมาเลยกา แบกบลลังอัลลอฮ์ไว้ดูแลชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยตะมงต้นไม้โพ ร, รงฝนตกมลายิการับผิดชอบหมดเลยนะอ mm ั hmm. ลลอฮ์เล่าให้ฟัง mm hmm. มลายิกาทำหน้าที่เรื่องเรื่องที่สอง mm hmm. วายัสตาคุฟรูน mm hmm. แล้วขออภัย <c oughs> นี่หน้าที่ของมลายิกาเนี่ยขออภัย mm hmm. สรรเสริญอัลลอฮ์เลยยังไม่พอ mm hmm. ขออภัย <c oughs> ให้ใครครับลิมัน ผู้ที่สําหรับผู้ที่ฟิลอารดีอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ประชากรมีเท่าไหร่อะเ็ดพันล้านนั้นเามาเลกาขอขออภัยอันี้อุลลามะตัมสีตอธิบายดีลีแมนฟิลอารดีผู้ที่มีชีวิตอยู่บนหน้าแผ่นดินมีอยู่สองกลุ่มมีกี่กลุ่มนะสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นมุสลิน อีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ปฏิเสธเป็นคาเฟร์มาเลายก้าเนี่ยมาขออภัยให้กับคนมุมินอัลลอฮ์จะอภัยโทษความผิดให้กับมุมินโดยเธอดีแล้ไ ด, ไดีนี่ตัปซีดอธิบายตัทซีดมาจีดีพิมพ์ทินาดวาอาอธิบายดีมากก็เป็นภาษาอุลดูพูดง่ายๆ คนที่เดินอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้มีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ศรัทธาวายัสตัฟฟิรูนและมาลายิกาเนี่ยมาขออภัยให้กับคนที่เป็นมุมลิมว่า ja, อัลลอฮ์จะอภัยโทษในความผิดของคนที่เป็นมุมิิมด้วยเธอและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนกาเฟตวายัสตัฟฟิรูนขออภัยให้คนกาเฟต ให้อลลอฮ์เปิดใจเขาให้รับอิสลามใช่ไหมเขาเพิ่งรู้ออลลอฮ์ครับว่าออลลอฮ์เป็นห่วงคนขนาดไหนอ่ะนบีเคยถามยาออลลอฮ์ให้คนรับอิสลามให้หมดนบีเคยขอนะรับให้หมดโลกแล้วก็ออลลอฮ์ก็ตอบมาให้ยิบรี ม, มาบอกว่าแล้วก็ น, นบี ม, มาจะมาทําอะไรอ่ะ น้องเมื่อคนนี้เป็นโมมินคนนี้เป็นคนดีเป็นคนคนดีหมดทำได้ไหมได้ภายในดึงนาทีนี่เปลี่ยนคนให้ให้โลกทั้งโลกเป็นมุมินได้ไหมได้แต่ฉันไม่ทำฉันแต่งตั้งมอมัดมาให้มอสอแล้วก็น บ, บีจะทำอะไรถ้าคนดีหมดมันสอนใคร <c oughs> นี่เป็นแผนการของอัลลอฮ์ทั้งหมดให้มีคนไม่ดีอยู่ในหมูม่บงเนือบ้านนีเพื่ออะไร เพื่อให้อาเลมาอิลมะมาผู้รู้ในหมู่บ้านนั้นรับผิดชอบดูแลคนไม่เอาซอสน า, าคนรวยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านสเกตสลยทำไมให้คนนี่รวยอ่ะให้คนจนเยอะคนรวยต้องไปยืนอยู่หน้าบ้านคนจนต้องดูแลเขาว่าถ้าไม่ดูแลเองระวังไอ้ดีนะมนาพุทธสารพูดดีนะคอยุลอามียราละบาบิลฟกีรคนรวยที่ดีที่สุด ต้องไปยืนอยู่หน้าบ้านคนจนอธิบายยังไงต้องดูแลเขาอ่ะตาต้องทั้งเอ้อยู่กันยังไงมันมีอาหารลาสินอดเปล่าว่าข้าวสารมันมีเปล่าว่าเป็นห่วงมันอ่ะงั้นคนรวยคนจนที่เลวที่สุดบบิสันฝักีราลาบาบิลอะเมดคนจนที่เลวที่สุดก็คือคนจนที่ชอบไปยืนอยู่หน้าบ้านคนรวย ใ่วันนี้คนค น, คนคนคนจนวิ่งหาเงินอ่ะถ้าคนนึกอ่ะนี่ไม่ใช่นบีพูดนะอุลามะอธิการบดีผมหาวิไลเนี่ยครับสอนอ่ะเตือนให้เราเข้าใจว่าเออคนมีมีอันจะกินต้องรับผิดชอบดูเลยอันดอนดรมานเป็นอาฟรวยที่สุดจะสบายนาบีเข้าความตัวยังไงหนึงน้ำมันไม่ขาดในมัสยิดไซนาอุมารเป็นอิหม่ามเป็นคนรีก้นะถูกแทงนะ แล้วก็ล้มไปแล้วคนจะขึ้นไปเป็นอิมามอันอุลระมานเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีบรรลายนอนนอนบ้า น, นไม่โผล่มาสุราแต่มหาเศรษฐีในสมัยนบีเป็นฮาฟิซอุรแอนด้วยแล้วก็มายืนข้างหลังนมาดซอบข้างหลังนบีถ้าเป็นอะไรไปหรือใครเป็นอย่างนันไม่เป็นอิมามแทนได้เลยนย่านี้เป็นต้น ดังนั้นต้องสายใจอิสลามพี่น้องครับถึงตัวเองจะมีบรารักัด น, น, นะครับวายัสต้าฟิรูนาลีมาฟิลอาร์เบียสต้าฟิรูไม่ว่าขออาภายัยคือมาลายกาเนี่ยขออาภายัยสำหรับผู้ที่อยู่ณโลกใบนี้คนมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นมุมินมาลายกา ขอดูอาว่าอัลลอฮฺจะอภัยโทษในความผิดของคนที่เป็นมุมินโดยเธอดีหรือไม่ดีทำโดยเรียล่ะแล้วก็คนที่ไม่ใช่มุมินเป็นคนปฏิเสธเนี่นะมอลิก้ามากันมาขอเปิดอัลลอฮฺจะเปิดใจคนคาเฟ่ ร, รับอิสลามได้เธอดีหรือไม่ดีแต่นคนกาเฟ่ไม่รู้เรื่องอะ่ะเพราะเราไม่ได้สอนเขาเป็นความผิดของเราด้วยกันนะไม่ได้สอนใครเลย บางที่เมียเรก็ไม่ติเตือนได้จะดา่าดาค่ายสอนให้ด่าเมียนะไม่มีครับต้องพูดจาดีๆยิ้มๆมาลอวาแล้วคนนี่แปลกเลยนะถ้าด่าเนี่ยกูไม่เข้าเลยนะไม่เข้าหน้าเลยนะถ้าพูดจาดีนี่เข้าไหมแล้วคุ ณ, นะคณ น, นั่งในคุรานี่อัลลอฮสั่มนบีมูซากับนบีฮารูนสองคนใช่ไหม ให้ไปเผยแผ่ อ, อ, อ, อิสลามกับฟิลิปนใช่หรือไม่ใช่ใชอัลลอฮ์ก่อนหน้าฟิอ่านเล่าให้นบีบรูฮ์มาฟังว่ากูล่าลาหูกาลันไล ย, ยีนันมูซากะฮารูเลยถามว่ามูซากะฮารูนเนี่ยดีกว่าเราใช่ไหมแน่นอนฟิลิปนเล็วกว่าเราใช่ไหมแน่นอนเล็วกว่าเราแน่ละอลัลลอฮ์สั่งคนที่ดีกว่าเรา ให้ไปหาคนที่เลวกว่าเราสั่งว่าว่ากูลามูซากฮารุละจงพูดจะไลยี่นั่นพูดจะนิ่มนวล polite พูดจะนิ่มนวลทำไมสั่งไม่ให้ด่าแล้วก็ล้อกลัวงอ่ะฉะนั้นมารยาทในการดาว่าต้องพูดจะนิ่มนวลต้องมีความรู้อุโลถึงจะดาว่าอิสลามแบบไรนะ สง่างามเนี่ยไม่มีความรู้เลยเครียดนกันนะพราะกระทำปัญหาหนามันตอบไม่ได้มันต้องมีต้องอ่านหนังสือต้องหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้จนกว่าจะตายนะครับเรื่องที่สามครับอลจงรู้ไปเถิดว่าอินนุลลอฮฺอัลกัฟูรุรฮัยนี่สิทธิร์ข้อที่ห้ากับข้อที่หก ของอัลลอฮ์นะจงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงให้อาภายัยเห็นไหมแต่ถ้าคนนี่มีความผิดตลอดเวลาถ้าขออุดมต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นเดือนอมร์ดอเนี่ยเขาเรียกว่าชาบรุตเต้าบเดือนแห่งการสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ขออุดานะครับอรลลอผู้ทรงเมตตาเสมออัลลอฮฺอักบัลฮัมดุลิลลา พี่น้องจะสบจะต้องท่องก่อยาตาฟ้า ต, ต้อนหนอ่าแต่ว่าเกือบจะพังลงมานะครับเกือบจะพังทลายลงมาชั้นฟ้านี่นะเพราะว่าพ่อคนทรยศ์ต่ออัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินฟ้ารำคาญจริงนะเดิน อ, อยู่แผ่นดินเองก็อยากจะแยกตัวออกเนี่ยน้ําทะเลก็เหมือน ก, กันอย่างที่เนามิเมื่อเมือม่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานั่นนะ โนมีนี่ขอดุาิศต่อลบเกือบทวนทำลายไม้ทำลายไม้แผ่นดินก็ถามิ้นซีลาไหมไหวไหมไหวไหมแผ่นชั้นฟาก็ถล่มไหมผู้ที่เดินอยู่บนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮฺแล้วทอยศต่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮูบอลลอฮแล้ ว, อ, วอย่ะเพิ่มรอก่อนเดี๋ยวมมอยี่วันหนึ่งนะทำหมดยังไม่เป็นต้เอาต่อมาครับอายะที่ อย่าท <ت ص في ق> و ้งหกครั ن วันละที่นัตตะขอดูมินดูนีอัลลอฮฺฮะฟิซุนอาไลฮิมวะมะอันตลฮิมบิวก والذين ا ت خ ذ ا و ا من دونه أولياء الله حفظ عليهم وما أ ن ت عليهم بوكيل الله أكبر ัยน <t> ี่ a l ะ a h ประทานให้กับท่านนบีให้ท่านนบีมาสอนสอนบอกว่า ผู้ที่ยุดหรือเคารพหรือกราบไหว้หรือบูชาหรือขอความช่วยเหลือสิ่งอื่นๆ น, นอกจากอัลลอฮ์เองหนีไปไหนไม่รอดบานปลายชีวิตเองลำบากแต่ดนดุนยานี้อัลลอฮ์ให้อยู่สาบายแล้วก็เพลินเอาไปเลยผมยกตัวอย่างฟาโร่ ตั้งตัวประกาศตัวเองเป็นพระเจ้าใช่ไหมทำไมเอาล่อให้ตำแหน่งเป็ น, ปนอะไรครับกษัตริย์มีทหารรักษาพระองค์สาม0มืห้าพันคนแล้วก็ให้กอรูนเป็นพี่เลี้ยงรวยที่สุดแล้วก็ให้ข้าราชการอยู่คนหนึ่งพามานรับผดชายรอดหรือไม่รอด เพราะอะไรครับนี่งานต้องการจะเตือนมาว่าคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์บนดุงยานี้อัลลอฮ์ไม่ไม่ใช่ทำลายเลยนะเอาอยู่ไปเอาไปเอาเงินไปเอาตำแหน่งไปเอาชื่อเสียงไปเอาผู้หญิงไปกี่คนก็ได้เอาไปเลยเองจะลําบากตอนวิญญาณมาถึงคอหอยไอ้ไม่เชื่อลองดูเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับแต่อัลลอฮ์นี่ปิดไม่ให้เห็นนะเล่าให้ฟัง แต่เล่า็นเรื่องจริงครับเรียกว่าคำสัญญาของอัลลอ์เป็นเรื่องจริงครับวัญญนวละีนัตตาโคดูสวนบรรดาผู้ที่ยึดอิตตาโคดูไปว่ายึดอาอาโคดาไปว่าเอาหรือยึดมินดูนิลลอื่นจากอัลลอเ์อาลิยาวาลีเนี่ยผู้คุ้มครอง ยึดสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์เป็นที่คุ้มครองเข้าใจง่ายใช่ไหมอย่างพวกเรามุสลิมนี่ค่ะยึดอัลลอฮ์มาใช่ร้อยอร์เซนะบางครอบครัวนะลูกจะแต่งงานก็ต้องไปหาหมอดูด้วยบางทีลูกจะถูกทหารต้องไปหาหมอดูนี่แสดงว่าคนคนนี้ครอบครัวนี้บ้านนี้ไม่ได้ยึดอัลลอฮ์รอยเอร์เซ็ ยดอลัลลอฮ์ร้อยเปอรเซ็นตะ์นะทุาำเพื่ออาคีรักให้หมดนะดุญยาจะตามมาหาเขาที่นบีพูดเองน ะ, ะใครที่ทำงานเพื่อดุญยานะอลัลลอ์จะให้ความความยากจนความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากไปหมดไม่อยู่ที่ที่ตาของเขาน่าน่าคิดนะ ใครที่หลงดุนยาอัลลอฮ์จะให้ความอยากมาอยู่ที่ตาองเขาไม่คิดเรื่องอื่นครับคิดแต่เรื่องรวยมีตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศให้คนมายกย่องคิดแค่นี้แหละคนหลงดุนยาไม่พอใจก็ดา่าให้อภัยคนเป็นไหมไม่เป็นแต่คนที่นึกถึงอาคิรอเยอะๆนี่นะ เอาเราจะให้ถึงเขาไม่เอาดุลยานะเอานะเอาแต่เอ า, เอามีเมียคนเดียวยกตัวอย่างนะมีบ้านหลังหนึ่งมีรถคันหนึ่งอะฉันพอแล้วแค่นี้แล้วจะให้ไม่เอาแล้วสแสวงหามไม่เอาแล้วเอาแค่นี้ลนะเอาเวลามาเรียนศาสนายกตัวอย่างง่ายๆคนที่ทำตัวแบบนี้นะดุญยาเขาไม่อยากได้จะดุญยาจะคลานมาหาเขา เอาลอยอย่างนบีมุฮัมมัดเนี่ยบรรดาสาวบานนบีนะเาไม่ได้ลงดุนยานะแต่ดุนยาตามมหาเขาเองอ่ะดุนยาตามมหาเขาเองอ่ะเาว่าบอกวัาน่าคิดกับตัวอย่างไม่เยอะดุนยาจะตามมาหาก็เองเหนื่อยตอนก้มอ่ะโอก้มหยิบดุนยาโมโหมันหนักเหลือเกินเลยหยิเต้นแตนั้นทำงานเพื่ออาคือระออยู่บนโลกดุนยาใบนี้ เราไม่ได้หวังดุลยาเยอะหวังแค่อยู่ได้เนี่นะดุลยาก็จะคลานมาหาเขาแต่คนที่ทํางานเพื่อดุลยานะไม่นึกถึงอาคิรอนนะอลัลลอฮฺจะให้ความสุขที่หัวใจของเขาไม่มีแล้วก็ความยากจนความอยากได้ก็จะมาปรากฏเจ้หน้าเขาตลอดเวลาพี่ลองสังเกตดูสิสังเกต ด, ดูนะครับต่อมาครับผู้ใดที่ ยึดเอาผู้คุ้มครองอืนจากอัลลอฮ์เป็นที่คุ้มครองนะครับเป็นวาลีนะอัลลอฮฺผาพิเศษุนและอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ฮาฟิแปลว่าผู้เฝ้าดูแปลขาฟิเคนท่องจำากุรอานนะ ต่ออ่านผู้อ่านดูวันดูแลผู้อ่านจะท่องจอําพระยาคาฟิสนะนี่คาฟิสอัลลอฮ์เป็นผู้เฝ้าดูคนคนเนี้ตลอดเวลาอาลฮ์ฮิมพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดที่ไปยึดสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นที่คุ้มครองอัลลอฮ์เฝ้าดูแลจ้องมองคนคนนี้อยู่ตลอดเวลานี้ไปไหนไม่รอดต่อมาครับ ว่มาอันตะไลฮมบิวกินมาแปลว่าไม่ใช่อันตะแปลว่าท่านท่านนบับ ม, มุลมมัดเนี่ยนบีมุมัดเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่วกินพิทักษรักษาเขาเหล่านั้นคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยนบีไม่ผิดอันนี้เล่าให้นบีฟงังปลอบใจนบีด้วยนะ คนที่นบีมาสอนสาศาสนาแล้วเขาไม่เอานาบีเนี่ยนบีไม่ผิดเหมือนกับเราเนี่ยมีลูกแต่นบีต้องต้องสอนก่อนนะพอสอนแล้วไม่เอานาบีไม่ผิดเรามีลูกมันไม่มคุ้มถานปัญห า, าศาสนาโทรศัพมาด้านลูกชันเนี่ยมันไม่นามานะ่ะแล้วก็ตื่นก็ส า, าย พ่อแม่จะบาปไหมปโทวศัต์ถามดีผมก็บอกว่าท่านสอนยังบ อ, อกสอนแล้วถ้าสอนแล้วผ่านอะไ น, นี่นะถ้าพ่อแม่อบรมลูกแล้วถ้าลูกไม่เอ า, าศาสนาพ่อแม่ไม่ผิดไม่บาปตตอยู่กับลูกคนเดียว แต่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเลยอลลอฮุอะลัยฮิสซามีปะพ่อแม่ไม่สอนลูกนี้ไหมมีถ้าพ่อแม่ไม่สอนลูกลูกทําผิดลูกผิดพ่อแม่ผิดอีกตามไปถึงไมถึ ง, ถ, งถึงพ่อแม่ตัวเองนี่ไงข่าวมนาบีเนี่ยสอนไหมสอนขณะถูกควา้างถูกดา่าไปเมืองตออิฟใช่ไหมไอนาบีแก้แค้นไหมมี่ไม่แก้แค้นพรานาบีรู้ ฉะนั้นเรามีเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยมีลูกแล้วถ้าเราไม่อบรมไม่สอนถ้าลูกเราทำผิดพ่อแม่บาปด้วยเข้าใจง่ายทีนะข้ามทีละว่ามาอันตาเลยฮิมบิวะกีลและไม่ใช่มวามัดไม่ใช่เป็นผู้ที่รับผิดชอบ ต่อพวกเขาว่ากินไม่ว่า ร, รับรับผิดชอบเข้าใจให้ดีนะเขาทำอะไรก็เรื่องของเขาเพวาฉันสอนแล้วนะให้กุรอานมาแล้วส่งซาบะไปสอนทั่วโลกแล้วถ้าใครไม่เอามาเรื่องของเองแต่บรรดานาบีไม่ผิดเพราะไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทําของพวกเขาเพราะสอนแล้วถ้าไม่สอนสิผิดอันนี้เป็นต้นระยะสุดท้ายครับ وَكَذَلِكَ أ َ و ْ ح َ ي ْ ن َ ا إ ِ ل َ ي ْ ك َ م ُ ا ْ ق ُ ر آ ن ً ا ل ْ ع َ ر َ ب ِ ي ًّ ا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى ا وَمَنْحَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فارق في الجنة وفارق في السعير الحمد لله ي, ي ا مالك وكذلك أوحينا إليك ق ر, ر, ن ر آ ن عربيا لتنذر أم القرى ว่ามันพาลาว่าตรงนี้เรายอมับการแล้วรยบาฟีฝรัุ่ณฟินจันน่าว่าฝรัุ่มฟิสไอรหมดิลล่านี่เป็นความรู้หมดเลยครับเปิดหูปิดตาเราด้วยมีประวัติด้วยนะครับว่ากะดาล็ก ในทํานองนั้นเอาให้นะ เ, เราได้วะหีพูดวะหีบ่อยนะวาหีวะหีวะหีเพื่อเตือนมนุษย์ให้รู้ว่าความรู้ที่ผ่านนาบีเป็นวะหีทั้งหมดไม่ใช่คิดเองไม่ใช่ตัดสรู้เอง เอาให้ได้ ka, ลยก่ะเราได้ว่าให้แก่แก่เจ้าแก่นบีมุ h a m มัดอะไรรู้ไหมคุรานที่เราถืออยู่เนี่ยกุรานเล่มนี้สามสิบยุสนี้มาจากอัลลอฮ์คุยนิดหนึ่งเล่านิดหนึ่งก่อนที่จะประทานคุรานลงมาเราเคลื่อท้องฟ้าใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยชัยตอนขึ้นไปอยู่ข้างบน ไปแอบฟังว่าลอสั่งอะไรให้มะเลก์กาทำโน่นทงนี้แล้วมันก็ลงมาหาหมอดูแต่ถ้าหมอดูกับไาตอนพอกัอนนะพอจะประทานกรุณาลงมาอลอกเคลียร์ทองฝ่าไม่ให้ชายตอนแอบขึ้นไปบนทองฝ่าให้มะเลยก์กาไล่ชาตอนแล้วก็ ให้มีดาวไรนะดาวตกนั่นแหละไล่ไลชตอนพวกเรายังดูดาวอยู่เลยเอาดาวมาเป็นนน้นเป็น น, ป น, นี้เริงเดินเริงดุพิษ้สงสารกันนะ่ะพระอันกูลาเนี่ยอลัลลอฮให้ดาวตกเพื่อไล่ไชตอนไม่รู้เพราะมาได้ฟังกุอาเนี่าพอแค่ที้พอพ อ, อาเราบียน กุรานเป็นภาษาเดียวคือภาษาไรภาษาอรับเราพูดได้เลยว่าภาษาอับเป็นภาษาเดียวในโลกที่จะอยู่ถึงวันเตรียมอะใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับเพราะเป็นคัมภีร์คุรานพี่น้องมุสลิมทุกคนต้องอ่านกุรานให้ออกนะเรียนเถอะให้ลูกเรียนตั้งแต่สามสี่ขวบแล้วอาริบาตปราก็ทํามาอยู่นะ ทำนีละทุกหมูบ้านใรูอานใช่ไอาชีพสอนกุรานเลิกไม่ได้มีบัรกัดครับอ่านกุรานอ่านคุรานได้ได้สัพ์อัลลออักุบะดอาาหนึ่งได้สามสี่คำเพิ่มใจนะอ่านคุรานเพลนะอ้าวเราในธรรมนองนั้นเราได้ว่าให้กุรานเป็นภาษาอาหรับแก่เจ้าสบายใจไหม ภาษาอืน่นไม่มีครับต่อมาครับให้กุรอาร่านมามาทำอะไรลีตุนศิรอเพื่อเจ้าจะได้เตือนให้กุรอาร่านมาเป็นความรู้นะเอามาเตือนอ่าฉะนั้นคนที่สอนศาสนาเนี่ยต้องเอาความรู้จากกุรอาร่านไปเตือนคนนะอย่างคุณคุณบ้านเนี่ย ยี่สิบนาทีเนี่ยเอากูราณหนึ่งอายาดีที่สุดไปเนองแล้วก็ค่อยอธิบายก็ค่อยแปลอายานี้เป็นอย่างงี้นะฮะคนฟังไพ่แต่ความรู้เห็นไหมท่านากบราณเนี่ยเอาไว้สอนคนไม่ใช่เป็นอาริมัตแขวนคอที่วเราเคยปฏิบัติกันอยู่นะพิษหมดเลยนะแต่อลัลลอไม่รีบลงโทษเองตบ้าตัว ฉะนั้นกุรอเนี่ยรีทุนศูนยเพื่อท่านหรือเพื่อเจ้าจะได้ตัดเตือนอุมมัลกุรออุมมุลแปลว่าแม่กูรอแปลว่าเมืองอุมมุลอุมมัลกุรอแม่ของเมืองมาถึงในนครมักกะเนี่อลอชชายชื่อมักกะเนี่ย เรียกว่าอุมมุลกุรอแม่ของเมืองทั้งหลายอุลมะอธิบายดีนะแม่ของเมืองทั้งหลายต้องการจะอธิบายว่ามักกะนี่เป็นเซ็นเตอร์มักกะเป็นเซ็นเตอร์ของโลกแล้วเดี๋ยวนี้โลกก็พิสูจน์ออกออกมาแล้วว่ามักกะเป็นเซ็นเตอร์ของโลกจริงๆ อามสตรองที่ขึ้นไปบนดวงจันทร์นี่เป็นข่าวที่ไม่อยากจะเล่าออในความลับนะเนาะถามอามสตรองบอกคุณเห็นอะไรอยู่บนดวงจันทร์เขาบอกมีลําแสงขึ้นเป็นแสงขึ้นแสงจากไหนจากประเทศซาอุดีอาระเบียเก็บเปนความลับอย่าพูดเดี๋ยวคนจะรับอิสลาม อุมมอลคุรอหไปว่าไรนะแม่ของเมืองทั้งหลายในวงเล็บอะลุมักกะชาวมักกะที่ทรยต่ออัลลอ์วันนั้นอัลลอ์เมตตาคุณชาวมักกาเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าคนเลวที่สุดในมักกะในอาหรับเ น, นี่ยนะเป็นคนดีได้ด้วยอัลกุรอานใช่หรือไม่ใช่เพราะกุรอานเล่นี้ทําให้เปลี่ยนแปลงเป็ น, ปนคนดีหมดเลย ซอบา้นานนบีอ่านหนังสือกี่เล่มถามอันกี่เล่มเล่มเดียวหนังสืออะไรครับกุรอานแล้วพวกเราเนี่ยอ่านโอ้พิญาตรีกี่เล่มอ่ะพิญาโทกี่เล่มด็อกเตอร์กี่เล่มเป็นร้อยรยเล่มเป็นพัน พ, น, พ, น, พ, น, พนเล่มแล้วเป็นไงครับยกเว้นกุรอานไม่ได้อ่านใช่ไม่ใช่แล้วให้ชื่อด็อกเตอร์โอ้แข็งน่าดูเลยส่วนใหญ่พากันจะรบหมดเลย แต่ดดนยานี่เาละห้ไม่เอาไปเอาไปเอาชื่อเสียงไปเอาเงินไปตำแหน่งไปอะไรไปเอไเพลินเนี่ยพอความตายมาถึงก็หอยอัยามไม่น่าเลยปล่อยชีวิตทำไมปล่อยอย่างนี้ย่น้เป็นต้นต่อมาครับอุมมันกรอแม่ของเมืองทั้งหลายหมายถึงวงเล็บในอาหลุม ก, กะชาวมักกะวามันฮาลาหู เขาล่าแปลว่ามันแปลว่าผู้ที่เขาลาหอยู่รอบๆอยู่รอรรบๆไม่ใช่ยเมนไม่ใช่บาฮารีนกอตต์มัก็ไม่ใคนทาาั้งโลกเลยทุกทิศอจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ตามว่ามันเขาลาวูฉะนั้นกูรานนี่ต้องนําเอาไปสอนคนทั้งโลกใช่หรือไม่ใช่จากกูรอานี้ ไม่จะสอนคนมักกะเรใครยทำหน้าที่สอนแล้วครับนบีเสียชีลลวิตแล้วซาวบ้านนบีครับแล้ววันนี้พวกเราต้องรับผิดชอบอยู่เมืองไทยก็ต้องสอนอิสลามให้กับคนไทยทุกทุกประเทศอิสลามเจริญไปหมดแล้วใช่หรือไม่ได้แล้วอัลล์เล่าให้นบีฟังบว่าหรือยุสีรฟุอัลลดีนกุลีอิสลามจะชนะ ศา ส, สนาอื่นทั้งหมดพูดอย่างนี้มุสลิมจูดานะก็ <g ots> ต้องยอมจูดานินยุสซีราูอาดาดีในกุลว่าเรากริฮัลกาฟิรุนถึงแม้ว่าคนกาเฟจะชิงชังอิสลามแค่ไหนก็าตามด่าไปเถอะด่าอัลลอฮ์ไปเถอดด่ารสูนไปเถอดด่ากุลอานไปเถอะยิ่งด่าคนยิ่งรับอิสลามนี่เป็นอะไรนะกุรอาน อิจาจอน اصر ุลอัลอฮิวาล -Fatḥ วรัยตันนสัสจะเข้ลุนในดินิลลัฮิอัลลอฮอัลลอฮ์เล่าให้นบีหลังจากท่านพิชิตนครมักกะถูกไล่ไปแล้วนะกลับมา ย, ยึดนครมักกะได้นะมาเตือนให้ปลอบใจว่าอิสลามจะเจริญไปทั้งโลก เมื Islam, aren, Muslim, yang has has ่อสลามเจริญราบปมุสลิมทำตัวยังไงฟัสับดีให้สรรเสริญ Allah บิฮัมดิอัลฮัมดุลิลลาห์วัสตักฟิรอัสตักฟิรุลลอห์ผู้สบายอยู่กแล้ว s u b h a l l a h alhamdulillah อัสต g h ฟิร u l l a h ไม่ใช่กุกลังมิสลามแน่อย่ายิ่งคนรับเพิ่มขึ้นห้ามกลังให้นอบน้อมให้ทมตนต่อรอให้สุญต่อ นี่ล l l a ์สร้ า, านาบีใหนบีมาสอนพวกเราวันนี้เวลาเขาด่ามาไม่ต้องด่าตอบบ้างก็ได้อดทนแบบนบีถูกที่เมืองตออิฟนั่นแหละเป็นกรณีตัวอย่างตํานึกเอาต่อมาครับว่ามันเฮาละฮและผู้ที่อยู่รอบๆเนี่ยไม่ใช่กูเวตบาฮรีกตอตอไม่ใช่แค่นั้นนะอาถึงคนทั้งโลกเลยทุกทิศต่อมาครับ ว่าตูนเรื่องใหญ่นะครับเพี่อนคุณอ่านตูลที่ราว่าเตือนเตือนให้เตือนให้สํานึกนะยาวม์มลายำไอ้วันแห่งการชุมนุมอันยิ่งใหญ่วันแห่งการชุมนุมอันยิ่งใหญ่อธิบายยังไงตายไปแล้วทุกคนต้องฟื้นฟื้นแล้วก็ต้องไปยืน อ, อยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺที่ทุ่งมะ มาอเป็นเรื่องจริงนี่เอากุณอ่านมามาเตือนให้นาบีมาสอนคนที่คิดถึงโลกอาคือลอยอยโยนนาบีเลยนี่งานดียังยงี้ฉันไม่ได้บนดุนยาไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปได้ผู้หญิงผู้ชายที่รักกันเนี่ยพวกอ่นานเท่าที่ทกอยางอย่างก็ผู้ชายชอบผู้หญิงหรือผู้หญิงชอบผู้ชายสิ่งแรกไม่ได้นิจจานะ แม่กันพ่อกันคนนู้นกันคนนี้กันมาแด้แตง่งเยอะมากแต่ใจจะรักเขาอ่ะอร่อจะให้เขาได้พบกันในวันกรีมาเนีเอาไปอยู่กันไป <c oughs> ฉคนั้นไปไม่ต้องไปฆ่าให้ตายหรอกไม่ต้องก็ทดสอบทุกคนนะแต่ทดสอบเรื่องผู้หญิงนี่หนักนะ <c oughs> <c oughs> อ่าต่อมาครับ และรอยบาฟีอัลลอฮ์ไม่ต้องสงสัยสบายใจไหมอิสลามจะเจริญไม่ต้องสงสัยพบกันในโลกอาคระโลไม่ต้องสงสัยสบายใจไหมนี่ไง إ ي م ا ันเปอเซในหัวใจออกมาทันทีเลยฮับดูลิลแล้วกูอานี่เอาไปสอนคนทั้งโลกสบายใจไหมนี่เป็นเรื่องจริงไม่ต้องสงสัยเอาอะไรไปสอนก็ ไม่ผ่านก็อเอาคุรานไปไปสอนเอเลาะแล้วก็สอนเรื่องเน้นเรื่องอารทิรรเอเยอะๆต่อมาครับอเลาะสรุปชีวิตให้ฟังฟาริกุมฟิลยันนะฟาริกุลแปลว่าส่วนหนึ่งมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี่นะนะถ้าแบ่งออกเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งเนี่ยฟิลยันนะอยู่ไหนสวรรค์เพราะอะไรเพราะเขาอีหมานต่อเอเลาะเขาถือ ท, 6, 6, 6, ทุกคนอีสลอกฎอมานหกข้อก็ปฏิบัติหมดเลยอิสลาอีห้ข้ออีทั้งหมดสิอ็ดข้อใช่ไหมยังอื่นดีล่ะปฏิบัติตามคําสั่งของโลกกลุ่มนี้ฟารีกลุมฟิลญันนะส่วนหนึ่งอยู่ในสวรรค์ว่าฟารีกุมฟิสซสยนี้แต่ว่าเปลวไฟหรือไฟนรกและอีกส่วนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในไฟนรกเอาเลือกจะบายจะไปกลุ่มไหนอะ่ะกลุ่มสวรรค์ ก็ต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์นับถืออัลอิสลามยอมรับให้นบีมฮัมมัดเป็นบุคคลตัวอย่างไม่ใช่คนอื่นครับอุลมามะเป็นแค่ถ่ายทอดความรู้ให้อย่าไปรับสเปคให้เกียรติกามไม่ใช่ก็ให้เกียรติธรรมดาแต่คนที่ต้องนึกคือนบี ม, มาสลงอัลลอฮนี่สุนนะของนบีอัลลอ์เนี่ยล่าสนอดจบเป็นการเปนนึกถึงสุนนะ น, นบียเยอะย น, นะ อินพะล้ำกี่เม็ดดีถ้าไม่มีกินอย่างอื่นได้ไหมได้แต่โดีนี้อินพะล้ำมีทุกบ้านใช่หรือแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์นะยิ่งอยู่ไปยิ่งสบายนะเมื่อก่อนสมัยสี่สิบปีที่แล้วผมจำได้เนี่นยพะล้ำไม่มีผมอยู่ในอินเดียนะผมแก้บวกับมลนาอาบุลฮัสันอธิการบรดีนอินพะล้ำไม่มี มีถัว่วถั่วต้มแล้วก็ใส่อะไร่ะวะไม่ใช่ถ้วยมาจาจานนะถ้วยดินพอกินแล้วโยนทิ้งเลยถ้วยดินอธิการบรดีมหาวิทยาลัยนั่งคุณนั่งนคุณละวงกับผมบนนั่นเราเป็นนักเรียนต่างชาตินะเราก็ให้เกยเียรติเยอะมาแกบกื่อกับอธิการบรดีมาผมก็จอบมองดูแก้บดดื่อโยกัรอะไร ก็พออินาพารามเม่มก็กินท่วงแต่วันนี้พอกล่าวมี อ, อินาพารามอันร่ำจนแล้วต้องนึกถึงนบีเราไปศึกษาใน อ, อินาพารามกับร่างกายที่อดมาทั้งวันเนี่ยดีที่สุดนะดัลลาสูดอดนะนี่ตอนนะตอนซาฮุดด้วยกันนะถ้าไม่มีอะไรกินนะอินาพารามสามเม็ดน้ำแก้วพอแล้วทำไปเลยนะเอ่มนะ้า อยู่ได้ทั้งวันอยู่ไหมอยู่ได้ทำดีแล้วแต่บ่ายสามโมงมันเพลียหน่อยอาภีโตครับตกลงว่ายึดกุณอ่านนะเป็นคัมภีร์เล่มเดียวเพื่อเอามาเตือนนะครับคนทั้งโลกเลยว่าเฮาละฮแล้วก็ยึดคัมภีร์กุณอ่านจะสอนหนึ่งเน้นเรื่องตายแล้วต้องฟื้นแล้วก็ต้องไปยืนรวมกันอีกครั้งหนึ่งที่ทุ่งมาชัดนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ต้องสงสัย سبحانك ALLAH มะ و بحمدك อา s w ika, a l il a إلَه إلَّا أَنَّ أ َ س ْ ت َ غ ْ ر ُ ك َ و َ أ ت ُ و ب ُ إ ل َ ي ْ